บัณฑิตสังเสริมกว่าไม่ประมาทเท้ามควะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสันเสริมความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่ออธิบายความเท้ามควะนั้นเป็นพระนามหนึ่งของเท้าสักกะจอมสวรรค์ชั้นดาวประเด็นเมื่อเป็นมนุษย์ท่านไม่ประมาทชักชวนพักพวกทําบุญสั่งสมกุศลกรรมอยู่เสมอเมื่อสิ้นชีพแล้ว ไปเกิดเป็นเท้าสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเท้ามขาวะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนเพราะเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจริงอย่างนั้นความโชคร้ายในมนุษย์ก็ตามการต้องไปอบายภูมิก็ตามล้วนมีความประมาทเป็นมูลทั้งสิน้นเท้ามขาวะเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างไรโปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้ เรื่องเท้าสักกะหรือมะขวะพระศาสดาประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามาหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลฤาวีพระองค์หนึ่งพระนามว่ามหาลิทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องสั ก, กะปัญสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทรงดําริ์ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมบัติของเท้าสั ก, กะทรงรู้จักเท้าสั ก, กะด้วยพระองค์เองหรือไม่หนอะ หรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นทรงดำริช น, นีแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่าทรงสดับสกะปัญหสูตรของพระพุทธองค์สงสัยว่าพระพุทธองค์ทรงรู้สมบัติของเท้าส ก, กะทรงรู้จักเท้าส ก, กะด้วยพระองค์เองหรืออย่างไรจึงตรัสเช่นนั้นพระาศาสดาตรัสตอบว่ามหาลิท้าส ก, กะนั้นสถาคตได้เห็นได้รู้จักมาเองคงเป็นเท้าส ก, กะปลอมเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะ มหาลิทูลพระเท้าส ก, กัดจอมเทพตัวจริงนั้นบุคคลเห็นได้โดยยากดูก่อนมหาลิพระศาสนาตรัสตถาคตรู้จากทั้งตัวเท้าส ก, กัดและทำอันทําบุคคลให้เป็นเท้าส ก, กัดด้วยต่อจากนั้นพระศาสดาทรงอธิบายพระนามของเท้าส ก, กัดให้เท้ามหาลิทรงทราบว่าที่มีพระนามอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุใ<ร>ดเช่นว่าที่มีพระนามว่ามัควา พระชาติที่เป็นมนุษย์ <f ior ga> ได้เป็นมานพชื่อ <f ors lla> มะคัที่มีพระนามว่าบ <f ors illa> ุรินคาพระชาติก่อน <f ors illa> ชอบให้ทานก่อนผู้อื่นที่มีพระนามว่า <f ors illa> สักกะเพราะเคยให้ทานโดยเคารพที่มีพระนามว่าสหสักกะเพราะสามารถดำริข้อความได้ตั้งพันเรื่องในการเพียงครู่เดียวที่มีพระนามว่าสุชมบดีเพราะทรงเป็นพระสามีของสุชาดาที่มีพระนามว่า เทวานาินทะเพราะทรงเป็นใหญ่กว่าทวยเทพทั้งปวงในชั้นดาวดึงนหนึ่งเท้าสักกะนั้นสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญวัตถบทิตประการอย่างบริบูรณ์ตลอดชีวิตคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดา 2. อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 3. ผู้จาไพโารอ่อนหวาน 4. ไม่พูดส่อเสียดกํากำจัดความตรหนีได้ 6. มีวาจาสัต ข่คมความโกรธได้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนมหาลิเราตถาคตรู้จักทั้งเท้าสักกะและทำอันทำบุคคลให้เป็นเท้าสักกะเทามหาลิทรงแสดงความประสงค์อยากทราบเรื่องเท้าสักกะสมัยเป็นมคะมานพพระศาสดาจึงตรัสเล่าให้สดับดังนี้เรื่องมคะมานพคนอย่างมคะมานพค่อนข้างหาได้ยากในอินเดีย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 คนที่มาแย่งที่อยู่ของตนนั้นมีความสุขเขาพอใจาจากการได้เห็นความสุขของผู้อื่นนั้นจึงได้ทําสถานที่ให้เป็นโรมนียสถานไว้เป็นอันมากยอมให้คนทุกคนที่ต้องการเข้าพาักพานอาศัยเขาเห็นบุญกุศลที่ได้ทําเช่นนั้นถึงฤดูหนาวได้กอ่อไฟให้คนเหล่านั้นถึงฤดูร้อนได้นําน้ํามาให้โปรดทราบว่าในอินเดียคนจนไม่มีที่อยู่อาศัยนั้นมากมายเหลือเกินพวกเขาเหล่านั้นอาศัยสถานอย่รถไฟบ้าง ตามฟุตบาทถนนบ้างตามซอกตามมุมบ้างเชิงสะพานบ้างเป็นที่นอนคนพวกนี้นอนง่ายเห็นที่ว่างตรงไหนพอเหยียดหลังได้ก็เหยียดลงไปใครจะเดินก็เดินไปพวกที่นอนก็นอนไปมัคคะมานพคิดว่าโรมนียสถานและความสุขเป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งปวงจึงตกลงใจเที่ยวทําสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสาธารณสถานเขา อ, ออกจากบ้านแต่เช้าทําหนังทางให้ราบเรียบร้านกิ่งไม้ที่ควรร้าน ต่อมามีชายคนหนึ่งเห็นมคะมานรรมอยู่อย่างนั้นชอบใจในปฏิปทาจึงเข้าร่วมเป็นพวกเดียวโดยในนี้เขาได้เพื่อนร่วมงานสามสิบสามคนทำทางและสถานที่ให้รื่นรมได้มากผู้ใหญ่บ้านมีจิตฤษิยาไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มทำอย่างนั้นบอกว่าผู้ครองเรือนควรเข้าป่าหาเนื้อหรือปลามาแล้วต้มสุรากินกันจึงจะควรทาอย่างที่เด็กหนุ่มทาไม่ควร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 ต้องมีเหตุพิเศษอย่างแน่นอนช้างจึงเป็นอย่างนี้รับสั่งให้เรียกคนสามสิบสามคนเข้าเฝ้าพวกเจ้ามาได้อะไรจากเตาหรือจึงประพฤติเช่นนี้ตรัสถามเรื่องอะไรพระเจ้าข่ามกะทูลถามเขาว่าพวกเจ้าคุมกันเป็นพวกเป็นโจรอยู่ในป่าใครกล่าวทูลอย่างนั้นพระเจ้า่ะผู้ใหญ่บ้านขอเดชะพระอย่ญญางไม่พ้นกล้าวพวกข้าพ้ะพุทเจ้ามาได้เป็นโจร แต่พวกข้าพระองค์ทำทางไปสวรรค์ของตนนายบ้านชักนำข้าพระองค์ทำอกุศลเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่ยอมทำตามเขาโกรธจึงมากราบทูลพระองค์อย่างนั้นแล้แล้วเมา่าตมานพได้ทูลความแต่ต้นจนอวสานในการกระทําของพวกตนพระราชาทรงสดับแล้วทรงสมอนัดตรัสว่าสัตว์ดีรชานยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่รู้จักจงยกโทษแกเราเถิดพระราชา ได้พระราชทานผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งบุตรภันยาให้เป็นทาาของมังคะมานกช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหนะสำหรับขี่และหมู่บ้านนั้นทั้งหมดให้แก่มานกสหายทั้งสาสิบามคนปราโมทยิ่งนักว่าได้พบผลบุญทันตาเห็นเป็นกันขี่ช้างไปปรึกษากันอยู่เสมอว่าพวกเราควรทำอะไรให้ยิ่งขึ้นตกลงกันว่าจะาสร้างสาราเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรในสี่แยกขนทางใหญ่ จึงได้จับหาช่างไม้มาสร้างศาลานั้นแต่ไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการทํานั้นมค ะ, ะมานกมีพญญยาสี่คนคือนางสุนันทานางสุกิตรานางสุธรรมาและนางสุชาดานางสุธรรมาอยากจะร่วมกุศลในการ ส, สาร้างศาลาบ้างจึงให้ข้าจ้างช่างไม้ให้ทาช่อฟ้าให้ตนนายช่างทาช่อฟ้าเสร็จแล้วเอาผ้าพันซ่อนไว้มีอักษรจาฤทธที่ช่อฟ้านั้นว่า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 เราขอซื้อเขาดีกว่าพวกเขาทั้งหมดที่ยวเดินหาบ้านที่ขายช่อฟ้ามาพบที่บ้านของนางสุธรรมาจึงขอซื้อนางสุธรรมาไม่ยอมขายไม่ว่าดวยเงินเท่าใดแต่นางบอกว่าจะให้เปล่าถ้ายอมให้มีส่วนบุญในศาลานั้นบ้านพวกมคะามานพยืนยันว่าจะไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ช่างมา้จึงว่าเว้นพรมโลกเสียแล้วไม่มีที่ใดปราศจากสตรี ขอท่านทั้งหลายจงรับช่อฟ้าไว้เถิดเพื่องานจะได้สําเร็จโดยเร็วพวกมคะม า, านย์จึงต้องยอมรับช่อฟ้าศาลานั้นแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งสําหรับอิสระชนส่วนหนึ่งสําหรับคนเข็นใจและอีกส่วนหนึ่งสําหรับคนไข้พวกเขาปูกระดานสามสบสามแผ่นใหญ่แล้วสั่งช่างไว้ว่าแขกมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใดจงพาแขกไปบ้านของผู้นั้นวันนั้นผู้นั้น จ่เป็นผู้รับรองให้ความสะดวกสบายแก่แขกทุกประการนายมรคะปลูกต้นทองหลางไปต้นหนึ่งไม่ห่างศาลานักแล้วทำเก้าอี้หินไว้โคนต้นไม้นั้นสำหรับคนจะได้นั่งเล่นคนที่มาพบเห็นศาลาก็ออกชื่อว่าศาลาสุธรร ม, มาไม่มีใครรู้ชื่อของสาไสายสิบสามคนเลยนางสุธรร ม, มาฉลาดมากในการทำบุญและหาชื่อเสียงฝ่ายนางสนันทาคิดว่า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 และเป็นทั้งพัญญาของมรรคสิ่งใดที่มรรคทำก็ชื่อว่าเราได้ทำด้วยดังนี้จึงไม่ได้ทำอะไรส่วนตัวอันเป็นบุญกุศลให้เวลาล่วงไปด้วยการแต่งตัวอย่างเดียวมรรคมานพ บ, บำเพ็ญคุณงามความดีอื่นๆและวัตบทเก็ตประการอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดเป็นเท้าสกเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขาสามสิบสองคนก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันในช่าง เกิดเป็นวิศวกรรมเทพบระรนางสุธรรมาสุนันทาและสุจิตราก็ไปเกิดเป็นเทพอักษรที่นั้นเหมือนกันมีแต่นางสุชาดาเท่านั้นไปเกิดเป็นนางนกกระยางช้างเกิดเป็นเทพประรดชื่อเอราวันภายหลังเท้าสักะได้ช่วยเหลือให้นางสุชาดาไปเกิดเป็นเทพอักษรเหมือนกันโดยวิธีให้รักษาศีลทำจิตใจให้ประกอบด้วยเมตตาการุณาเป็นต้นทั้งหมดได้สวยที่ผสมบัต มีความสุขอยู่ในโลกทิพย์เพราะมันสั่งสมบุญกุศลด้วยความไม่ประมาทดังนั้นพระควัตเจ้าจึงตรัสว่าอัปมาเลนะมะขวาเดวานังเซธะตังคาโตเป็นอาทิดังได้อธิบายมาแล้วแต่ตน